สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในตอนสุดท้ายของบทที่เกแล้วครับก็คืออยู่ในข้อที่10จนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายของบทที่เก้าครับโปรดฟังพระโอณะของพระเจ้าในตอนปลายของช่วง20ปีที่สุลลมอนทรงก่อสร้างพระวิหารขององค์พระวินเจและพระราชวังของพระองค์เองกษัตริย์ซุลลมอนทรงมอบเมือง20แห่งในกาลิลี ให้กษัตริย์ฮีรามแห่งไทระเป็นค่าตอบแทนสําหรับไม้สนสีดาไม้สนอื่นๆและทองคําซึ่งกษัตริย์สมอนส่งประสงค์แต่เมื่อฮีรามเสด็จจากไทระมาทอดพระเนตรเมืองเหล่านี้ที่สมอลมอบให้ก็ไม่พอพระไยเลยฮีรามตัดว่าน้องเอ๋ยเอาเมืองอะไรมายกให้พี่กันนี่เมืองเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าดินแดนคาบูลมาจนทุกวันนี้ฮีรามได้ส่งทองคํามาให้สมอนถึงประมาณสี่ตัน โซโลมอนทรงเกนแรงงานโยธามาก่อสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระราชวังป้อมมิโลกำแพงกรุงเยอรมเมืองฮาโซเมกิดโดและเกเซอร์ฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงโจมตีและเข้ายึดเกเซร์และเผาทิ้งประหารชาวคณะอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่อมาได้ประทานเมืองนี้เป็นสินสมรสแก่ราชิดาซึ่งเป็นมเหสีของโซโมอนและโซโมอน ทรงซ่อมแซมเมืองเกเซร์ทรงสร้างเบธโฮโรนล่างบาราตและทัดโมในถิ่นทุรกันดาลในดินแดนยูดาทั้งทรงสร้างเมืองต่างๆเพื่อเป็นคลังเสบียงของพระองค์และสร้างเมืองสําหรับรถม้าศึกและม้าพระองค์ทรงสร้างทุกๆสิ่งที่ทรงประสงค์ในเยรูซาเล็มเลบานอนและที่ต่างๆทั่วอาณาเขตที่พระองค์ทรงปกครอง สวงบรรดาคนที่เหลืออยู่ที่เป็นชาวฮิตไทชาวอมอมไราชาวเปริดสีชาวฮีไวต์และชาวเยบุสคนเหล่านี้ไม่ใช่ชาวอิสราเอลคือลูกหลานที่เหลืออยู่ของคนเหล่านี้ซึ่งชนอิสราเอลไม่สามารถทําลายล้างให้หมดสิ้นได้ซุโรมอนทรงเกณฑ์คนเหล่านั้นมาเป็นแรงงานทาสจนถึงทุกวันนี้แต่ซุโรมอนไม่ได้ส่งเกณฑ์ให้พลเมืองอิสราเอลคนใดเป็นทาสแต่ให้เป็นผลรบข้าราชการเจ้าหน้าที่นายทัพ ผู้บัญชาการรบและพลรบรบและมีเจ้าหน้าที่550คนเป็นผู้ควบคุมดูแลงานโยธาในโครงการต่างๆของโซโลมอนหลังจากราชธิดาของฟาโร่สเสด็จจากเมืองดาวิดมายังพระราชวังที่โซโลมอนสร้างให้โซโลมอนก็ทรงสร้างป้อมมิโลโซโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาปีละสามครั้งบนแท่นที่ทรงสร้างขึ้นถวายแด่องค์พระเวนเจ้าและเผาเครื่องหอม ต่อหน้าองค์พุทเจ้าด้วยก็เป็นอนันเรียบร้อยตามภาระหน้าที่ที่มีต่อประวิหารกรษัตริย์โซโลมอนอยังได้ส่งสร้างกองเรือขึ้นที่ a อซอเกเบอร์ซึ่งใกล้เอลัดในเอโดมบนชายฝั่งทะเลแดงด้วยและกษัตริย์ฮีรามประธานกะลาสีผู้ช่ำชองให้ร่วมทำงานในกองเรือกับคนของโซโลมอนพวกเขาเดินเรือไปที่เมืองโอฟี แล้วนำทองคำกลับมาถวายกษัตริย์โซโลมอนหนักถึงประมาณ 14.5 ตันพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในยุคสมัยของกษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นยุคที่ประเทศอิสราเอลนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่เปรียบกับอียิปต์ได้เลยครับยังไงก็ตามครับในข้อที่ 11-14 ถึงเราจะเห็นถึงการทามาค้าขาย ระหว่างอิสราเอลกับฮีรามซึ่งฮีรามนี้เป็นกษัตริย์เมืองไทระพี่น้องครับผมได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าเมืองไทระนั้นเป็นเมืองที่อยู่บนชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองที่ทำการค้ามีไม้สนสีดาไม้สนทั้งหลายและมีทองคำทองคำนั้นเป็นสิ่งที่โซโลมอน อยากจะได้ครับเพราะอะไรครับเพราะนำมาสร้างพระวิหารนํามาสร้างพระราชวังของพระองค์แต่ว่าในการทำมาค้าขายนั้นก็มีเครดิตสูงครับสำหรับประเทศอิสราเอลเอาทองคํามาก่อนแล้วจ่ายนะครับจ่ายเป็นเมืองต่างๆซึ่งเป็นหัวเมืองที่อยู่ทางด้านใต้นะครับในแผ่นดินยูดาห์นั่นเองพี่น้องครับหัวเมืองต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวเมืองที่ฮีรามนั้นเขารู้สึกว่า ไม่ยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเมืองเหล่านี้เป็นเพียงแค่เมืองที่ใช้ไม่ได้ครับเป็นเครื่องคําประกันว่าโซรลมอนจะคืนทองที่ยืมมาได้นั่นหมายความว่าเครดิตของโซโลมอนหรืออิสราเอลนั้นดีครับแต่ว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่เมืองที่ฮีรามต้องการฮีรามนั้นคงต้องการดินแดนที่ติดชายฝั่งเหมาะสมสําหรับการค้าขายเหมือนกับที่เขามีเมืองไทระอยู่ พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เรารู้ว่าการเป็นหุ้นส่วนทำมาค้าขายระหว่างโซโลมอนกับฮีรามนั้นได้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นจึงมีเครดิตเกิดขึ้นจึงมีการติดหนี้ค้างหนี้กันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วนะครับฮีรามได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมหลายเท่าครับในการเป็นหุ้นส่วนกับกษัตริย์โซโลมอน ซึ่งปรากฏอยู่ในธรม2ปงสะบาดาลบทที่9ข้อที่10และข้อที่21แต่อย่างไรก็ตามครับในขณะที่ฮีรามยังไม่ต้องการดินแดนนะครับที่กษัตรกมนุษย์มอบให้ฮีรามก็เลยเรียกเมืองเหล่านี้ว่าคาบูลคาบูลนั้นมีเสียงคล้ายกับคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าไม่มีค่าภาษาอังกฤษแปลว่า good for nothing ซึ่งหมายว่าเป็นเมืองที่ไร้คุณค่าเลย พี่น้องครับเนื่องจากชาวเมืองฟินิเซียนะครับไทระฮีรามนั้นเป็นมิตรกับอิสราเอลเขาต้องพึ่งข้าวและน้ำมันจากอิสราเอลความสัมพันธ์ของฮีรามกับโซโลมอนนั้นจึงสำคัญมากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมากกว่าที่จะบาดหมางกันในเรื่องเมืองเหล่านี้เรื่องนี้ก็จบไปเรื่องหนึ่งในขณะนั้นครับอิสราเอลและอียิปต์ครับ เป็นเมืองมาหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากในตะวันออกใกล้หน้านี้นะครับอียิปต์ครอบครองเมืองเกเ ซ, เซอร์ได้หลายปีทีเดียวแม้ว่าเมืองเกเซอร์นั้นอยู่ในเขตแดนอิสราเอลแต่ในสมัยโซโลมอนครับฟาโรห์ซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของอียิปต์ก็ได้มอบเมืองนี้ให้ราชิดาซึ่งแต่งงานกับโซโลมอนครับพี่น้องเราเห็นนะครับว่านอกจากความสัมพันธ์ระหว่างโซโลมอนกับฮีรามนะครับโซโลมอนก็ยังมีความสัมพันธ์ กับกษัตริย์ฟาโรด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับการสมรสกันการยกลูกสาวให้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของการปกครองในสมัยโบราณของแว่นแควนต่างๆของประเทศต่างๆของราชวงศ์ต่างๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่พระเจ้าไม่เห็นด้วยพี่น้องครับหากว่าเราอยากจะกลับไปดูนะครับพระเจ้าไม่เห็นด้วยตอนไหนครับ พระเจ้าไม่เห็นด้วยตั้งแต่ในสัยของโมเสสครับโมเสสนั้นเป็นช่วงที่เกิดการก่อตั้งนะครับอิสราเอลเป็นช่วงที่เป็นเรื่องของบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราจะเห็นได้ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่11ข้อที่1และข้อที่สองพี่น้องครับคนเหล่านี้พระเจ้าตัดห้ามประชากรอิสราเอลว่าเจ้าจงอย่าแต่งงานกับคนเหล่านี้คนเหล่านี้หมายถึง หญิงชาวต่างชาติเพราะพวกเขาจะชักนําเจ้าให้หันไปฝักใฝ่พระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนถึงกระนั้นโซโลมอนก็ทรงผูกพันรักใคร่หญิงเหล่านั้นพี่น้องครับเราเห็นถึงการสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งเข้าตัวเองเข้าประเทศชาติของโซโลมอนเราเห็ยนว่ามีสติปัญญาค่อนข้างสูงมากทีเดียวยังไงก็ดีครับ การบริหารจัดการการเกณฑ์แรงงานโยธามาสร้างพระวิหารพระราชวังท่านก็ทำได้ดีในขณะเดียวกันครับก็มีกองเรือที่ทำการค้าและโซโลมอนก็ไม่ได้ละเลยทางด้านาศาสนกิจก็คือท่านเองก็ถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องสันติบูชาปีละ3ครั้งตามสูตรหรือตามหลักที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ พี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าอวยพรในภาพรวมนะครับอิสราเอลนั้นจเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางด้านการค้าขายการทูตการต่างประเทศและการศาสนาเพระเาะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรครับแต่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับโซโลมอนก็จะเริ่มกำลังํำบากคือเขา เริ่มไม่ค่อยเชื่อฟังพราวัจนะของพระเจ้าเสียแล้วก็คือการแต่งงานกับหญิงต่างชาติและมีเมียมากครับนั่นขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อนางราชินีแห่งเชบามาเยี่ยมเยือนโซโลมอนสงาราศีของโซโลมอนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ในที่สุดโซโลมอนก็ไม่สามารถรักษา บัลลังของเขาไว้ได้หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะขอองค์ผู้อคนเจ้าได้สํารวจชีวิตของเราว่าในขณะที่เรากําลังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตเราก็ขาดตกบกพร่องสิ่งต่างๆบางสิ่งที่สําคัญมากๆไปหรือไม่อาเมน